ติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ661 1. ิภิกษุถูกทายกถามว่าจะถวายที่ไหนจึงแนะนำว่าทยธรรมของพวกท่านพึงได้รับการใช้สอยได้รับการปฏิสังขรณ์หรืออยู่ได้นานในที่ใดหรือท่านมีจิตเลื่อมใสในที่ใดจงถวายในที่นั้นเถิด2ภิกษุวิกลจริต3ภิกษุ